พวกเราบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าให้ทาอย่างไรพวกเราเชื่อในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราได้ศึกษาได้ฟังดูแล้วว่าธรรมะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าำำ น, นั้นเป็นนิยานิกรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจริงไหมเพราะว่า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 ทำจิตให้สงบและแยกแยะดูให้ได้ถ้าว่าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งจิตใจของเราไม่เป็นหนึ่งแล้วเราจะแยกยากมากเเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆุกท่านนะพยายามทําเอเพราะว่าพวกเราจะต้องเจอมรสุมเจอด่านนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นต้องผ่านด่านนั้นแน่ว่างไงแต่แต่เราจะทำไงเราต้องฝึกซ้อมเอาไว้ก่อนก่อนที่จะผ่านจุดนั้น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 แต่เมื่อลมเข้าลมออกมันก็เข้าออกอยู่แต่ว่าไม่มันไม่รู้มันกระทบที่ไหนมันผ่านที่ไหนเพราะมันเคยชินเกิดมาตั้งแต่เกิดมาก็ลมผ่านเยื่อจมูกแต่เด็กจนถึงโตขนาดนี้แลอวกำหนดมันไม่ได้ถ้าลักษณะอย่างนั้น้ามันเป็นอย่างนั้นกำหนดไม่ติดอย่างนั้นให้ลบพวกเราหายใจแรงๆหายใจแรงๆดูซิมันลมมันเข้าที่ไหนสื่อลมหายใจเข้า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 มีแต่นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้หนักอย่างเดียวก็อไม่ไหวอย่างวันพระอย่างเนี้ยควรจะสมาทานเข้าไปเจ้าจะถือเนชชิเข้าไปเจ้าจะไม่นอนอในคืนวันนี้อย่างเนี้ยแล้วก็มีอริยาบทสามยืนเดินนั่งพอเดินเดินเหนือแล้วก็มานั่งพอนั่งเสี่ยแล้วก็ยืนแล้วก็เดินเปลี่ยนอริยาบทจนถึงสว่าง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 ถ้าถอถ้าสู้แล้วนะจะเกิดประโยชน์ใครใครก็เห็นแล้วก็ชมก็เห็นแล้วก็ชมยกย่องสรรเสริญนักนินคือนักสู้เอ่อคือไม่ไม่หลาะแหละไม่ถอยหลังเออแต่ถ้าว่าเราทำอะไรหล่อหละและหลถอยหลังเป็นที่ตำหนิของปราชญ์เออเป็นที่ตำหนิของผู้มุ่งมั่นเป็นที่ตำหนิของผู้แนะนำสั่งสอนเพราะนั้นท่านยา อย่าทำให้อ่อนแอนะเห็นไหมบัณฑิตในครั้งก่อนท่านเป็นนักสู้จริงๆนะเนี่ท่านจึงเอาชนะได้ได้ครองราชสมบัติเพราะท่านเป็นนักสู้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบัณฑิตในครั้งก่อนนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าผ่าถืทวานักสู้นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้ากรุงพารณสีพระเจ้าพมทัดครองราชเอี่ย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 ถ้าเดินทางโค้งเนี่ยมันก็ไกลเกินไปถ้าเดินทางตรงมันก็มีคาว่ามีอมนุษย์ อ, อมียักษ์คอยจับคนกินอยู่เ อ, อแต่ถ้าเราเดินทางโค้งก็ไกลเกินไปเอา้าเรามีอาวุธทั้งห้แล้ววะเราไปตรงๆนี่แล้ววะอะไรมันจะมากับมาได้สู้มันอนักสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเหมือนกันครับตนี้ก็พอเดินมา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 ยักษ์ไปแต่คว้าจับมาแล้วก็บิดคอกินเป็นอาหารเหมือนกันเถอะแต่ปัญญาวุฒิคุมมาเนี่ย เ, เดินเข้าไปโอ้มึงเป็นยักษ์หรือ ว, วะกันอไม่มึงก็กูละ ว, วะกันนะเนี่ยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบักบอกว่าให้ให้สู้เหมือนกันเถอะอย่าถอยเหมือนกันเถอะไม่ฆ่าก็เองนะวะฆ่าเอาเนี่ว่างือนกันเดินเข้าไปก็พอเห็นก็บอกบอกกับยักษ์เลยให้ยักษ์นั้นหนี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 จะเป็นเย็นมีความสุขมีความสุขมากแต่เป็นเวลาไม่นานเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นอันดับแรกเป็นครั้งแรกเราว่าขั้นอีกะบางทีคนเราก็ตื่นออพอพันจิตเข้าไปอย่างนั้นเลยตนักรู้ตื่นพอตื่นมันกระถอนออกไปเล ย, เลยเทานออกไปแต่ถึงยังไงก็ตามจิตอย่างนั้นใจอย่างนั้น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 จิตเป็นอันใดชติเป็นอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเแต่ก่อนยังยังชติคุมจิตอยู่นะเออชติคุมจิตไม่ให้จิตคิดปุ่มพุงไปทางอื่นแต่พอมันลงไปแล้วชติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรชัติเป็นอันนั้ น, น, น, น, นมันจะเน่งอยู่ด้วยกันเทไงเราจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่ได้รับรู้สิ่งภายนอกเลยเรานั่งอยู่ใสถานที่ใดเสียงอะไรเสียงพดเสียงราเสียงา้าร้องเสียงคูคน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 โดดเด่นมากสมาธิจุดนี้โดดเด่นนี่แหละจิตแทบรู้ถ้าผ่านอัปปนาสมาธิมาแล้วนะพวกเราไม่ต้องถามแล้วว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันรู้ได้ในตนเองมันชัดเจนในตนเองในจุดนี้ เ, เพราะนั้นเมื่อเมื่อเราเป็นสมาธิบางคนก็เป็นได้นานนั่งได้นานในที่เป็นอัปปนาสมาธิบางคนก็กาหนดให้อยู่นานก็ได้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 สมาธิทั้งสามขั้นจบลงเพียงแค่นี้ไม่เกินกว่านี้ไปคือสมาธิมีอยู่สามขั้นคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาอ ป, ปนาในแปลว่าสูงสุดของสมาธิาจากนั้นก็จิตก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิอุปจารที่เป็นอ ป, ปนาสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรทั้งหมดมีแต่จิตสว ย, วยด้วยจิตมีความสุข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 ให้รู้รสของสมาธิก่อนถ้าเราไม่รู้ไม่เคยทาสมาธิจิตไม่เคยสงบเเลยเราจะไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นในพระธรรมคาสังสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากว่าการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าจิตใจที่เป็นสมาธิมีความสุขอย่างไรเพราะเราไม่เคยเราก็ไม่รู้จักโนบีแต่หิวหวยจิตใจปุงฟุง้งตลอดเวลาอันนั้นแปลว่ายังไม่รู้รสของพระธรรม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 เน่มันอยู่ในนั้นไม่มีผลงานต้องบังคับให้ออกเลยนี่แหละครูบาอาจารย์ธรรมาบังคับให้ออกจากสมาธิไปพิจารณาทิ้อสมาธิคือความสงบวิปัชนาคือการหาเหตุผลเ อ, อใช้เหตุผลการพิจารณาไต่ตรองด้วยเหตุผลเหตุผลอะไรพระพุทธเจ้าทรรมเกซาให้พิจารณาให้พิจารณาผมโลมาขนณขาเล็บทันตาวันตะโจหนัง อันนที่ท่านให้เมื่อพระอุปชาที่ท่านสอนเกษาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังกรรมฐานห้าจากนั้นท่านยังให้พิจารณามังสังเนื้อในร่างกายของเรามีเนื้อใช่ไหมเอ่เหมือนกับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อสัตว์ต่างๆในร่างกายของเรามีไหมหนังหุ้มอยู่มันมีไหมเนื้อมีแน่กระดูกปีไหมมีเอ็นมีไหมมีตับมีไหมมีปอดมีไหมมีลำไส้มีไหมมี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 แต่เนื้อหาสาระตัวจริงและมันไม่ใช่ของเรานะใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมันว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราอย่างเด็ดขาดนะถ้าเรายึดมั่นถือมันว่าเป็นของเราเราโง่นะเพราะร่างขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราเออกมาจากท้องมอแม่แท้ๆเราจึงไม่มันยังไม่เป็นของเราเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเรานะ่ยึดแบบโง่ๆนะ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 ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่พิทาคือความเบื่อหน่ายรู้แจง้งเห็นจริงแล้วใจของเราคน an, จากหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดกายไม่ยึดใจเอกายก็เป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นตัวตนของเราอีกทักวันหนึ่งเขาจะไปเผาไฟอยู่แล้วจะเป็นของเราได้อย่างไรใจของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี้เดี๋ยวก็เช่ามองเดี๋ยวก็พองใสเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นสุขเออ เดี๋ยวหัว เ, าเราะเดี๋ยวร้องให้ถ้าเราดูใจของเราถ้าดูเราเอาสติเอาปัญญาจับเข้าไปดีๆแล้วนะดูใจของเราเนี่ยในความเสียใจนั่นคือความร้องไห้ความดีใจคือความหัวเราะมันมีอยู่ทั้งวันเลยในใจของเราถ้าเราเอาสติจับเข้าไปดูอย่างอย่างที่อย่างให้อย่างละเอียดเหมือนั้นเนดะ็กเราจะเห็นตัวของเราร้องให้หัวเราะร้องให้หัวเราะ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 อนาปาณสติเนี่ยนะกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทพโธพุทโธเนี่ยแหละเป็นหลักจากนั้นขอเมื่อกิจเข้าสู่ความสงบบังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญาหรือวิปัจฉนาะในเมื่อวิปัจฉนาแล้วพิจารณาทบทวนไตรตรองด้วยเหตุและผลร่างกายมีอะไรบ้างร่างกายนอกร่างกายในเวทนานอกเวทนาในาใจนึกคิดเรื่องอะไร